ก็เหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเ้าเกิดมาเรื่องหน้าแห่งศีลธรรมแล้วมาต่อไปปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผิด อ, อยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมเปรนามความดีไว้เพื่อ เป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลําดับลํำดับไปคือปณิสัยก็คื อ, คอทิฏฐิธรรที่เราเคยบําเพ็ญมาหรือเรียกว่าผล ง, งานความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นด้วยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาภาวนาหรือการสงเคราะห์สงหาด้วยร่วมโลกกันไม่ว่าสัตว์กับุคคลก็ตาม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 เข้าสู่ภายใน จ, ใจิตใจนั่นทานเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานนั่นที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แต่ใจเลยคือว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลง อิจาขงเราเป็นรากฐานสาคัญที่จะฝังทรัพยภายในลงสู่ที่หนักเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วภายในก็สะดกะสวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปนะว่าไปแห่งผลตาบลใดต้องการอะไรก็ตําบลนันจับจ่ายใช้สอ ย, ยได้เรียบเรียนสิ่งที่ตนต้องการ มาบำบัดรักษาหรือบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกไปด้วยทรับย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัตถุสงสารก็ ข, ขึ้นเดียกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์แ่วนี้เองไปบ้านนอกบ้านนาลิ้นเมืงองนอกเมืองไหนก็นแล้วแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินทรัพย์สมบัติ ทำมีแก่สารพัดนึกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากน่การท่องเที่ยวนวัตะสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมมาภาในจิตใจติดแนบ ก, กับตนไปในพบนั้นๆนะเกิดเรากับบังคับที่ต้องการ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 จาไม่มีผู้ใดได้รับความทุกข์ความธร ม, มาณทางร่างกายและจิตใจแต่มีแต่ความฝุกความสบายด้วยการทางนั้นเพราะการลบล้างได้นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสลูกว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว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 กลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนะี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช็นาล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดล้างสถานที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ามันสะอาดนั้นเป็นไปไดนะ้เรื่องการทำความดีก็เหมือนกับวการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็ไม่มีอยู่ในโลก ารกดในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถานะล้มล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมคะไปทำไมที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานทามาไว้สอนโลกกว่าเกือะลา้างมลถิมคือบาป ก, กรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของสัตว์ด้วยการทำดีให้สายสะอาดไปโดยลำดับลาดับความประพฤติ ท, ที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทาดีพูดดีคิดดีไปหมด ไอสิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เดี๋ยวสาพะาาวะอันใด น, นั่นก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหากผลจะยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบาติไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม น, นี่ระหมาที่ เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัดปาสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลตินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันมาลบล้างนิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นนิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทามาตั้งแต่ก่อน ก็ได้รับแค่เรื่องธานลงขันยกตัว อ, อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะาปรินิพานเสด็จไปปูมกุศินาลายจะสวยน้ำรับสั่งให้พระอานุน์ไปตักน้ำที่ไหนก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเป็นหมอกมีพระองค์ก็ประกาศกับพระอนณนว่านี่เป็นพ่อ ร, รมเก่าของเรา ซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจํานวนห้าร้อยตัวโงไปน้าหน้องใดบุงใดก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ลืมตั้งแต่น้ําที่สกป็กด้วยที่ขุนเป็นตมเป็นโคนไปผลนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเรานี่ก็มีเพียงท่ากายเท่านั้นนั่นแหละที่มีความกระทบกระเทือนถึงท่าไทยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลย ส่วนความดีก็ ม, ม, มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอ ม, มีคนบบเคารพเทวดาอินพรมอะไรทั้งมีความเคารพนอบนอกพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนที่เจ้าพระองค์มีความยินดียินร้ายในท่าไทยนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะไปถึงได้ เรา ก, การที่เราทําความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ําที่สะอาดชนะสิ่งที่สกปรปกสปรโสโครภ า, า, า, ายในจิตใจของเราให้ัปหมดไปโดยลำหนักลำหนักการยิ่งสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่าานภายจในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหนักเพราะเรามีหลักเลือดนี้ที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายจในจิตใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบุญยิ่งไปกว่ากว่าคุณงามความดีทั้งหลายนี่ท่นานบอกช้ายาเอวเปรียบเหมือนกับเงาเทียมตัวแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏนั้นแหละคุณงามความดีนี้เราจะไะเกิดนั่จะฐานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจ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 เขาหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิงกันค้อนขว้ายหาอยู่หากินนั่นมาใช้งานน้องเขาเรื่อเขาก็ไม่เห็นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายกายคลองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนทั้งกลัวตายไม่งั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโห้ยน้าจะไปกินก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกขายเขาดักอีกเนี่ย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 เราทำได้โดยกันทั้งโลกทั้งสามไม่มีใครว่าใครไม่มีใครเดียดเบียนใครหากจะมีบ้างก่อนมันก็เป็นธรรมดาของคนมีเกลเแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเพราะทำลายสัตว์แังนั้นมันไม่มีมันจะยากลาบากเราก็ถือว่าเป็นงานจาเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งท่าหม่ม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 บาเพ็ญความดีเพื่อเป็นประโยชน์แต่พะ อ, อย่างยิ่งการภาวนาอายุออนามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยกันทั้งนั้นน่ะความฟุ้งเฟอร์ส่เหความคิดวุ่นวายเนี้ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก ควรตัวเองได้ตลอดเวลาหากไม่มีการอบรมภาวนาะให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนไภไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาพะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาะจึงเป็นที่พักผ่อนดอนจิตได้ดีขณะที่เรากำหนดกาหนดพุดโทโธพุโทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุโทโธอยู่แล้ว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 ตังหน้าตังตาอยู่กับคำมือกรรมของเราควาจิตใจนี่สายแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยข้อควรตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบํารุงรักษาด้วยสติตังหน้าตังตาทําอยู่โดยสม่ําเสมอจิตก็มีความสงบลงได้เพราะจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุกขก็ามาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขพนาใจเพราะมันมีความสงบเพราอจิตเริ่มสงบ ภาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภัยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผิดเป็นภัยต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วๆไปนี่เราระงรับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอาจเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์มันมีคุณค่าเข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความล่มเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจหมือนใจ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 เป็นสุกมีที่พึ่ง น, นั่งอยู่ก็อิม่มทำอะไรอะไรอยู่ก็อิม่มเอิบอยู่พานาใจใครจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธให้ง่ายๆไม่ค่อยชุนค่อยเขียวเพราะจิตมีที่พึ่งจิตมีหลักมีเจนไม่บอกแบบคอน แ, นนแวนเย็นนั่นเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี้แหละที่จะยั่งเหตุ ต, ต่อไปให้เพิ่มไปมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเปน็นอลำดับ และให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเฒ่าแก่แล้วเท่านี้ก็ไม่ยศาสตร์จะไปหาทำงานอะไรออนอกจากงานกิจตระหนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาสัจนพอแล้วเลีเ้ยงลูกแล้วยังมาแล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรอะไ ร, ะไรเป็นบอยเขาอยู่ยตลอดเวลา เลี้ยงตนนั่งตอนมันยังไม่เติบโตคือภ า, ายในจิตใจมันเหี่ยวมันแะทะตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทำยังไงมันต้องร้อนคนหลับดังนั้นยพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอารม์ จ, จิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะพองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่ง น, นี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจติตตาพนาเป็นสําคัญ พยายามอบรมรักษาตนทิ่นคือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วเรืงโรคเรืงหรงสารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตากระพานนะท่านตั้งแต่วันโน้นรู้จักเลี้ยงสาวภาวะตาหูจมูกเลี้ยการมันสัมผัดสัมพันธ์กับกิ่นทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลทั่วประการใดบ้างเราทราบหมด จากความนัมผัดเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดเอาความคิดความตังกับถึงที่มาทั้มผัดนั้นไม่ได้แล้วเราจะประมวลกับความคิดความปรุงในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใส่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยวิธีที่เกี่ยวกับจินทั้งหลายแล้วประมวลจิตใจตรงมวลความรู้สึก สมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบําเพ็ญตนด้วยจิตตะภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงานความดีแล้วเป็นที่เอาอุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันล่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นอารมณ์สาคัญมากต่อจิตใจทําให้มีความสงบเย็นใจ คำว่าความสงบมีหลายขั้นเบือ้องต้นแหงความสงบก็พอเริ่มเริ่ ม, มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาผ่าในใจสบายทำหลายครั้งและหนกสงบแน่วแน่สงบแนกแน่นละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากผิดเบื้อ ง, งว่างอะไรพูดไม่ถูก ว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เพิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้หัวรู้ตัวอยู่เธอจะเพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแลคือความสงบที่ละเอียด ม, มากมันเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมทําเป็นเทนนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันตา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 ตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสําคัญมันหมายกับถึงใดๆแล้วสิ่งอนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงรบกวนตัวเองอีกไม่เกิดความต้องการนั้นหมายในสิ่งต่างๆภ า, ายในรอบภายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆครับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากฮะโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเรื่องนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลย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 แต่เรื่องการแสวงหาสมบัติภายนอกคือทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกโลกธรรมนาธรรมนาแต่นี้เราหาด้วยด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเศษมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มพอเมื่อจิตก้าเข้าไปกล้าเข้าไปจิตจอมีความขยืดขึ้นไปเรื่อยๆย ความสุขแค่นี้ต้องการฉะนั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านใจตรองคิดไปเห็นอย่างท่านพิจารณาถึงถาดเรื่องขันซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มันเกิดไม่ทราบว่าถาดขันนี่คืออะไรคขาว่าร่างกายก็ว่าเขาว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกายทั้งหมดเราจะมาได้แยกแยกตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างที่รวมกันอยู่นี้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 หลังกาเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเนี่ยถ้าว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวท น, น, นาไปเสียสนี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างกระทับตใจอะไรก็สักแต่ว่านั้นเท่านั้นไม่ไม่เลยจากนั้นไป กายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสําคัญมันหมายมาตั้งแต่ก่อน <N> จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริง่งเพราะจิตรู้จริงเหตนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงเนี่ยสัญญาตั้งขานวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างแตอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวแหนะว่นะอาการแต่ละอย่างที่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 ไปฝ่าไปฝื้นความจริงไม่ปีนเกลียวกับความจริงต่างอันต่างกรินต่างอันต่างาอยู่ฮะจิตใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องก่อความตึงเด่นนี่ทันจะเรียกว่าอะไรมันถอดเอาหมดถอดเอาหมดมรู้นี่ท่านอยกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้น ทีนเวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่จะมีความอยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่มีพราะความอยากนั้นเกิดขึ้นจากเพราะความไม่พอหรือความยังไม่สมบูรณ์ความบกพร่องทำให้เกิดความอยากได้ทีนจิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากเนี่ย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 คือมายิ่งกว่านั้นไม่หย่อนกว่านั้นเสมอก็ได้จะเรียกว่าเสมอก็ไม่ถนัดใจเรียกว่าพอนั่นเหมาะอีเต็มเต็มที่แล้วเลยนี่ไปไม่ได้พอเนี่แหละทปฏิบัติด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมไม่ใช่ไปเต็มไปด้วยกิเลสมันย่อมถึงเมืองพอได้ไม่เหมือนกับโลกทังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่าน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 พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเ น, นี่ยเพราะมันพ่ามันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอัดไม่ทำจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวดำเต็มภูมิคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินี้เราก็ให้ชื่อมันได้เถิดไมจะเป็น หลวงตัวด้วยความทั้งขันแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นเพราะโลกมีสมมติก็ต้องให้ชื่อว่าแต่ตามสมมติเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพานอย่างนี้บรรดาท่านพูดถึงนิพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมติก็ต้องให้ให้ชื่อสมมุติเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่าบราดอาเพราะว่าคนที่เขายังไม่เคยรู้วัดป่าบรรดา ได้อ่านได้ทราบอ้อนี่คือวัดป่าบรตจะกรสำหรับทานเนนหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจเราจะต้องไปอ่านต้วันตา่าบรักรเพราะรู้อยู่แล้วน่ะพุที่รูปนิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอะยะนี้หละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญตนเอง เหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกบายสมายจาังอะไรๆเราไ ด, ได้ผ่านมาแล้ว ừ, เวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดค่า ừ, เออเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทำหน้าทุกอย่างทำเสียในเวลานึ้งร่างกายกำลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทำหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือ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 คิดดูดาวบททั้งสองในเวลาท่านตัดจะรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจารณาด้วยญาณทราบของกาวบททั้งสองงั้นสิ้นไปเช้าเมื่อวานนี่โอ้นาสา<ม>น่ายนัท่านก็เลยหยุดสนพระไทยที่จะไปต่างสอนเพราะถุกยิ้สัยแล้วทาวาสานาเพื่อสอนคนตาจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี่เราส่งกุสลานี่เดียวให้ถึงนี่ผานเลยว่ามันเด๋ แต่นี้ไม่ตายเสดงปัญหาเบญจบ ก, กีทั้งห้าผู้อยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงธรรมทั้งหลายและพอสแสดงดเวเมพิตรเวนตับบกิเจนเชยิตบาททนั้นเบญจบ ก, กีทั้งหลายก็บรรู้ธรรมอออุทานขึ้นมามีพระกลอนัญญามีพระกลอัญญาปรมัญญาเป็นต้นยันจุกิตสมุไร้ธรรมังตับบัตังนิโรธาธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระัญญาปรมงาญได้รู้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 ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในตรายักษ์นี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เ น, น, นี่ยอนัอนตตลกนัสตรอนตัตต า, าสแสดงว่าความไม่ใช่ตนนั่นเองสแสดงนี้ล้างจิตจะให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึงห้าทั้งห้าองค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นทำไมไม่ไปสอนคนตา่าง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 เราต้องทิกงแผลหาความถนาดธรรมะเป็นทางสองที่แพ ร, ร่ออกมาจากความถลาดไม่สอนคนโง่จึงรีบเล่นคนขวายด้วยความที่เดลาดของคนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าและทีในภายหลังเราจะมีความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบั น, นอนาคตสมบัติที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทําดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่พึงใจยินขอยุติการแสดงแข่งทั้ง